สิสัปปานการศิขาบทว่าด้วยสิ่งมีชีวิตเรื่องภิกษุชาวเมืองอารวีหนึสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณอัคคารวเจดีเขตเมืองอารวีครั้งนั้นพวกภิกษุชาวเมืองอารวีกําลังช่วยกันก่อสร้างรู้อยู่ว่าน้ํามีสิ่งมีชีวิตรดหญ้าบ้างดินบ้างใช้ให้รดหญ้าบ้างดินบ้างบรรดาภิกษุผู้มักน้อยจึงตําหนิ ประนามโพนธนาว่าชไ น, นพวกพิสูชาวเมืองอารวีรู้อยู่ว่าน้ำมีสิ่งมีชีวิตรถหญ้าบ้างดินบ้างชาใชห้รสหญ้าบ้างดินบ้างเล่าครั้นพิสูเหล่านั้นตาหนิพวกพิสูชาวเมืองอารวีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกลาบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ